ฟังทำกันนะฟังแล้วฟางการปฏิบัติการเถิดตามทมนั้นเรายิ่งได้ฟังธรรมะที่นสดงการแรกของพระเจ้าที่แสดงธรรมจับกับปวัตถสูตรในรัน้นเดินแปด ต่างมาแล้วในอาทิตย์หนึ่งมีประธานเกิดขึ้นในโลกพระสงโลกแรกคืออัน ญ, ญาก่นธัญยะมาอีกสี่ห้าหกวันของจะมีวัาปาะพัตยามหาดามาอาสิจเป็นเกิดเป็นประหานขึ้นตามลำดับแต่มาเทศสนากันนี้ไม่ใช่ให้จำ ให้ออกไปทมตามหลักบปฏิบัติตแล้วกายเอาใจเป็นหลักสูตรเราก็มีกายมีใจพระพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นโดยธรรมเทศนากันนี้ก็พบปลือกกายเุลกใจมาเป็นกรรมเทศนาะ เอากายเอาใจเป็นที่ตั้งข้อความรู้สึกตัวจึงได้เห็นเรื่องนี้ได้รู้ตามความเท็ความจริงในสิ่งนั้นต่างที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเขาก็มีกายมีใจตั้งแต่เกิดมาถึงวันนี้เคยให้มีสติตั้งไว้ที่กายที่ใจไหม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 กับกายกับใจไม่ถูกต้องก็มีเป็นทุกเป็นทุกข์ ก, ก็มีแล้วมีสติจากลุจจักทำให้แจ้งในสิ่งนั้นได้เ่วนความเท็ความจริ ง, งในสิ่งที่มาเกิดกับกายกับใจเธอมากมายหลายอย่างวิชากรรมฐาน <c oughs> กาที่เจ้าได้ปฏิบัติจนเกิดพุเจ้าก็คือมีสติไปในกายอเป็นประจำผู้แขงเข้าเหยียดแขงออกให้รู้สึกตัวเป็นหลักสูตรศึกษาตรงนี้เรียนรู้ตรงนี้ฝึกหัดตรงนี้ เมื่อมีความรู้สึกตัวตั้ปฏิกิริกาที่ใจแล้วจะได้เห็นสิ่งนี้ไม่ใช่ความรู้เกิดขึ้นมาแล้วก็จะได้เปลี่ยนมันซะให้มันเป็นความรู้จักตัวตั้งหน้าตั้งตาให้ทมอย่างนี้เรียกว่ากรรมฐานที่ตั้งของการกระทํางานให้ทํา ควมเรื่องที่เกิดกับกากับจะให้เป็นความรู้จักตัวทุกๆเรื่องเราเมื่เกิดขึ้นมาพระองค์อาจจะคิดเวลานั่งกู่แขงเข้าเหย่าฉันออกอยู่พระองค์ก็อาจจะคิดถึงเพมญภาคนม่ีเมียก็คิดถึงเมียพอมาชิดไปก็กลับมาซะ เวลความคิดมันอาจะนโจทย์ตัวหนึ่งที่ทําให้ต้องเฉลยว่าเวลานี้ไม่ใช่เมัอนนะ่งคิดถึงลูกถึงเมียมาลูกจึกตัวเสีหยหลยอย่างคิดถึงเรืหุนคิดถึงภาษาสากนู้ดดูบ้างเปรียบเทียบอย่าไปเอาเหตุผลมาเอาขู่ถูกความผิดในความคิดเวลานีา้ไม่ใช่มาทําแบบนั้นมาฝึกตนสอนตนให้มีความลูจึกตัว นี่สติเป็นที่ตั้งไวยให้ถามกันอย่างนี้จะได้เห็นจะได้พบเห็นไม่ใช่แบบคิดเห็นี่การพบเห็นในสิ่งที่มาเกิดกับกายกับใจพบเห็นจิงได้เห็นความสุขความทุกทนนาขาก์กิเลตัณหาหลคาโกดลลกหลังความลักความจองอิจฉาไปบาท มันเปิดเพื่อนมากับเรือนมันมาเป็นความรู้จากตัวซ้อเมื่อเปลี่ยนมาทำรู้ความรู้จากตัวก็ได้เห็นแล้วได้ทำเราได้เห็นแล้วรู้แล้วรู้แล้วทําได้แล้วหลงที่ใดรู้ที่นั้นทุกที่ใดรู้ที่นั้นโกรธที่ใดรู้ที่นั้นทําได้แล้วทําเป็นแล้วหลังที่เราได้ฟังทำใเทศนาทุก เป็นสิ่งที่ก็หนดรู้เรารูแล้วรู้แล้วว่าความทุกข์มันไม่ใช่ความรู้จักตัวได้ทำได้แล้วนี่คือความเทศความจริงในะหลักอภิสต4ที่มันมีอยู่ในเรานี่เราจ้เห็นของเทดของจริงในคราวเดียวก่อนวนลอมุม หมืนหน่ามือหลงมือไม่ฟรีเลยเวลาเราปฏิบัติเราเห็นงานมีงา น, ม, งานมีการทําทันทีเลยงานแบบนี้ระรว่างงานสร้างมากสร้างผลให้เกิดพิธีการที่ใจมีการที่ใจเพื่อสร้างมากสร้างผลมาใช่ไปรสร้างทุกข์สร้างโทษให้เกิดกับปากับใจโหดโลกหลงชื่อตัณหาหลาคาความลักของจังพอใจไม่พอใจ ไม่ใช่เรื่องของกายของใจไม่มีประโยชน์มีแต่เป็นทุกข์เป็นโทษเราจึงมาให้ใช่ยกายช่วยใจเราให้มันถูกต้องเหมือนกับการช่วยเหลือช่วยกายช่วยใจยแต่ก่อนนี้กายใจไม่เป็นธรรมต่อกันเลยมีกายก็เบียดเบียนกายรป็ทุกข์เบียดเบียนจิตใจด้วย ใจก็เปลี่ยนกายโดยคิดเป็นทุกข์ความทุกข์เฉยๆก็เป็นทุกข์ความคิดเฉยๆก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ปกครองชิดตัวเองนั่นคือจิตใจของเราทื่มันได้ามากผิดแห้แต่การเจ็บไขไ้หรือป่วยก็เกิดมาจากการใช้กายใช้ใจที่ผิดจนตายไปก็มี รอาอกหลเชื่อใจที่ผิดจนเป็นทุกข์เป็นโทษต่อตัวเองและคนอื่นอนมีคุก ม, มีตา ร, รางเกิดขึ้นมาเออเหมือนใช่ผิดเราจึงมาหาดัดมันเป็นทุกข์เป็นโทษจริงๆแต่ใช่ผิดนะเราเดี๋ยวนี้มั่นใจไหมมีใจเดี๋ยวนี้เรามั่นใจเราไหมพึ่งมันได้ไหม หรือว่าเอาใจไว้ก็จะเป็นรูปเป็นรูปไม่มั่นใจจะมั่นใจตัวเองไม้ว่าจะเป็นอย่างไรมันก็เป็นอันตรายเราจะไปเพื่งออะไรแล้วเราก็เกี่ยวข้อกับจริงอื่นเก่ดมาชาตินี้เราได้เป็นมนุษย์สมบัติแล้วในการไม่ใจเพื่อมาต่อยอด ให้เกิดคุณความดีเกิดมกักเกิดผลขึ้นมาจึงจะสำเร็จประโยชน์คุ้มค่านํำนมว่าแม่เลี้ยงเราเหมาถแตว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่จำเป็นต้องฝึกหัดถ้าไม่หัดก็ไม่เป็นเค่เวลามันหลงก็ต้องเป็นหลงอยู่เรื่อยๆหลงจนตาย เรามาทุกก็ทุกกันตายทุกข์อยู่เรื่อยๆเรื่องเก่าทุกข์แล้วทุกข์อีกอามาเป็นสุขกันทุกข์แล้วทุกข์อีกแต่ถ้าเราเปลี่ยนมัน้อมเป็นความรู้สอนมันก็จบเป็นเอา จ, จะเป็นความ <c oughs> หลงเวียนควางสุดท้ายความาทุกข์เป็นขั้งสุดท้ายได้ งานทำได้จริงๆอาศัยกรรมาฐานเปนที่ตัง้งเป็นนิมิตเกาะไว้เพื่อนไหวมือให้รู้จักตัวอย่าไปคิดเอาหาคําตอบเอาเหียดเอาผลให้ออกกรมกรมคือกระทําให้การการะทําลิกคิดไปให้มีความรู้ เป็นตัวเฉลยชีวิตทั้งหมดอะไรที่เกิดขึ้นกับกายกับจนอกกายนอกใจก็ทมให้มีความรู้ทุกตัวจนเป็นศาสตร์เป็นศิล์เป็นความชั่มิจนานเมื่อมันเป็นความชัมิจํนานก็นแลเกิดวิปัสสนาขึ้นมาวิปัสสนายานขึ้นมาลูกแจ้ง สู้แจงทั้งหมดเลยสิ่งที่บ้านเกิดกับการกับการแห่นความท้ดความจริงความหลงไม่ถูกต้องความไม่หลงคือความรู้จตัวถูกต้องเลือกได้ได้ยอดใหม่ได้ชีวิตใหม่มาไลายเป็นดีอานเป็นถูกได้ความรู้กับความหลง เออเก่งดสุดนะพร้มทุกทุเทศเป็นพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นเป็นพุทธเจ้าได้ดังที่เราได้ลังทำมาเทศนาทำใัรร้จับในอริยสัจสี่ที่ทำไมเกิดทุกข์มีอยู่เราวิธีละวิธีทำอย่างไรจงอย่าง โอ้ยอเจ๊เลยพวกเราไม่จนเลยเรื่องกายเรื่องใจงเอากรรมฐานฝึกกรรมฐานบ้างได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าอยู่เฉพาะหน้าเราจริงๆในชิงที่เราหลงคนอื่นไม่หลงพุทธเจ้าก็รู้เรื่องนี้ไปทางเดียวกันจิงที่เราทุกพุทธเจ้าเคยทุกข์เหมือนกัน ห เ, อ เ, อหหเหมือนกันหมดไม่กายไม่ใจจนชีวิตต่อเอาเหมือนกันหมดไม่ต่างกันเหมือนกันหมดสิ่งที่เราหลงคนอื่นจะไม่หลงในเวลานี้เรานั่งอยู่นี่อยู่ด้วยกันเนี่สิ่งที่เราทุกคนหนึ่งเขาไม่ทุกสิ่งเราคิดแล้วชี้ดีคนหนึ่งเขาปล่อยจริงแล้วจึง เ, อเยอะแยะเลยอบอุ่นใจเวลาเราปฏิบัติ ได้การละยานะมิตรในก้การละยานธรรมสติเป็นกัรลยานธรรมกับชีวิตเราจึงได้สมชื่อว่าอุปการและขุนเหมือนพ่อแม่ใี้สติเหมือนอยู่ในบ้านพ่อวาดแม่อุ่นใจนี่กัรลยาณธรรมนี่เป็นชีวิติพัฒน์จริงก่มีสตินะ เราจึงต้องฝึกให้มีให้เป็นไันใช่ชิดหรืออ่านเอาจําเอาเอาให้ทำให้มันมีขึ้นในชีวิตรเรามาไลยเป็นดีได้ทุกอย่างหรือว่านักปฏิบัติแต่มันจนเกิดเ ป, ป็นมิจฉาจารา์ขึ้นแล้ว ก็ล่วงข้ามภาวะเก่าๆได้ร่วงก้นภาวะเก่าได้จิตใจก็เปลี่ยนไปได้เสริประโยชน์เจริญกายใจด้วยหาใจก็เป็นธรรมเกิดขึ้ น, ม, า ม, ม, านมีความเป็นธรรมเกิดขึ้นโตัวกายตัวใจเมื่อมีความเป็นธรรมเกิดขึ้นโตัวกายตัวใจแล้ว โปรดจากผู้ปฏิบัติก็มีความเป็นธรรเกิดขึ้นนอกจากกาจากใจเป็นสิ่งอื่นวัตถุอื่นคนอื่นไรจำนวนมากเพอาะยึดเราก็เหมือนกันเพราะเรื่องเหล่านี้ต้องตั้งต้นตัวไขตัวมันนับเป็นจากตัวเหล่ามันใช้เรื่องเกณนกันปฏิบัติเอง ก็ทำมันตระผู้มีภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วดีแล้วมีคู่มีหลงมีไม่หลงเปิดออกแล้วอย่าไปจนต่อความหลงอย่าไปจนต่อความทุกมีทุกก็ไม่ทุกย่อนมัน ตู้จิตขอปฏิบัติต้องทําเองผลหลงเองคุณต้องเปลี่ยนรู้เองคุณทุกข์เองต้องเปลี่ยนไม่ทุกข์เอ ง, องผมรู้จักตัวเป็นเครื่องทุ่นแรงก็มาถานเป็นเครื่องทุ่นแรงเวลาไม่ถล่กมก็ไปอาหลงความยึดยุกมือขึ้นมายืดตัวขึ้นวางใจมีศรัทธามีความเพียรมีสติลงไปมีสมาธิลงไปใจใจลงไป อย่าไปทำผิ ว, ผ ว, ผ ว, ผวนนืดผื่ผืนคุ้มคือจึงได้เน้นลงไปอย่าให้ความว่าความเวลารับปฏิบัติเครื่องลูเครื่องหลงให้มันชัดเจนแม่นยอมท้มจึงได้มันจะจะไม่จานานมากขึ้นติดได้ง่ายได้ดำดับลำล ำ, ำท่องจมเหมือนเราท่องหนังสือใส่ใจอยู่เสมอก็ติดได้ กายมันติดกับสติได้ใจมันติดกับสติได้เอาไปบานเปน็นอันเดียวกันเลยในความลู้ลโลกโลกมีสติเป็นหน้าโลกไปเลยหน้าเดียวคือสติหน้าโลกคือไม่เผอเหมือนพระขี่นาศกก็มีสติปไปไม่ได้พระขีเหลืองศกก็คือพระหลานผู้มีสติเป็นว้่ไหนเป็นหน้าโลก กเปกติมันก็เป็นวิปัจนาการอย่างลู่อะไรง่ายลู่แจ้งงองทะลุทะลวงได้เห็นอะไรลู่อะไรได้อะไรที่มันเกิดกับกายกับใจทะลุเทะลวงได้เป็นจริงที่ถูกต้องเป็นจริธรรมเป็นมาตรฐานของชีวิตแล้วชีวิตที่มีความมาตรฐานในความเป็นจริง ความหลงไม่จริงความทุกข์ไม่จริงความไม่หลงมันจริงความไม่ทุกข์มันจริงเมื่อซ้อมปอดใจเกิดอะไรขึ้นหรือเกิด น, นเป็นสมาธิเป็นปัญญาชิงก็มายช่วยสมาธิหมายช่วยธรรมมาช่ว ย, ท, ว ย, วยทำย่อมรักษาพุทธธรรมอยู่เป็นนิจทำย่อมรักษาพุทําให้ตกไปในที่ชัว่วเป็นไปเอง มม่ใช่มานั่งสร้างจังหวะตลอดตายเวลาสัจ่ายเราจะท่านจัหวะไดหรือเดินเที่ยวกำไรหรื อ, อ, รอทาให้บันมีมันอยู่ที่ชีวิตทั้งหมดชีวิตทั้งหมดยอมเป็นดวาเกิดขึ้นกับชีวิตลองตื่นแต่ดึกศึกเตืนหนุ่มก็ดีอย่ารอให้เหี่ยวให้แก จ, จึงจะมีค่านะชีวิตเราเนี่ยเราไม่ใชนางก่อน โอนเปล่าเลยเป็นหมันเลยยิ่งพอเราเป็นนักกวดอยู่วัดวาล า, านเนี่เกี่ยวข้องกับคนอื่นเราเินรับบทต้องข่มขีวรอยู่เฉยหน่อสนะที่ชาวบ้านเขาสร้างห้ <c oughs> ถ้าเราไม่ปลกตน้นสอนตนก็เป็นหมันทั้งสองฝ่าย ว, ว่าผู้บวมรงผู้ใหเ้เราก็ไม่ได้ประโยชน์เราก็ไม่ได้ประโยชน์มันจึงทำห้เราไม่ประมาทโดยเพราะน่าปวดนี่เป็นหน้าที่โดยตรงเรื่องกรรมฐานนี่ฉันเชิดอุ้มบาตรล้างบาทดีดๆอุ้มุ้มบาตรไปวางบนปฏิของตนนั่ง ให้ตัวตรงสร้างสติไม่มีงานอะไรเป็นงานที่โดยตรงเรื่องกรรมฐานนี่ชีวิตนักอวดชีวิตเพื่องานกรรมฐานไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นเราฝึกตนสอนตอนได้ดีแล้วแล้วก็คิดถึงคนอื่นจนเป็นธรรมบารา อย่าหน้าไปคิดถึงพ่อถึงแม่ผู้มีผู้คนต่อเราเราได้กายได้ใจจากพ่อจากแม่มาเพื่อทํำกตดีถือว่าะเราเป็นคนดีไม่ไมีทุกขไม่โทษก็ถือว่าตอบบุญแทนคุณว่าแม่ได้ถ้าจะยังเป็นคนชขี้อยู่ถือว่ายังเป็นหนี้พ่อแม่พ่อแม่ทําดีอะไรไม่ ได้ม่มากนักแต่ว่าดีของพ่อแม่เคยเลี้ยงเราได้มีชีวิตยอยู่คือสุดยอดแล้วสำหรับเราเพื่อให้ทำมาด น, นี้ขึ้นมาแล้ก็เป็นประโยชน์สนับสนุนเราบางทีเราก็ทิ้งลูกทิ้งเมีย ม, มายิ่งดีเป็นตัวฟงเป็นโจดเราจะได้ไม่ประมาณพิ้งพ่อทิ้งแม่มาพิ้งงานทิ้งการมา จะได้ไม่ประมาณเป็นตัวโจทย์ที่สำคัญที่สุดเวลาเราไม่คิดถึงลูกถึวนี้นก็กบหอมพัฒนาตัวเองเราคนดึงอ่ะจะเป็นพ่อคนที่ดีเราคนหนึ่งจะเป็นหัวคนที่ดีเราคนหนึงเป็นลูกที่ดีมั่ น, นใจสุดยอดแล้วมาทำเนี่ยมาทาแบบนี้มาตามกรามฐานเนี่ยนี่คือ เร่บีค่าจึ ง, จงสะดวกทุกอย่างในในศาสนาในวัฒธรรมปประเทศไทยคนไทยศาสนาแบบไทยๆพระสงฆ์แบบไทยๆวัดวาหลาแบบไทยๆพูดกันแบบภาษาไทยห่วงรู้จักตัวใครก็ต้องรู้จักยกมือขึ้น รู้จุดรู้จุด ก, ก็ทำโดยสัมผัสโ ด, ดยกยกมือขึ้นตั้งไว้รู้จุดรู้เรื่องกันยกขึ้นรู้จุดเพื่อนมือมารู้จุดยกมือเลื่อนไหวเจอรู้ที่นั่นยกมือเก้นไว้รู้ที่นั่นนี่คือแฟนสาวที่กำพูสอนก็นได้สัมผัสตาทุกวินาทีก็มาถอนแบบ สมัญชยบ์บัพพะดังพระตรปดกตั้งอยู่วนหลานธรรมสมัญชยบ์บัพพะการเคลื่นไหวให้รู้จักตัวอาศัยกายอาศัยใจเป็นที่ตั้งแห่งความรู้จักตัวทุกวินาทีรู้ทุกวินาทีอย่าให้มีงานอะไรเกิดขึ้น ให้ขวนขวยเรื่องนี้ให้มากที่สุดเพื่องานอันนี้ขึ้นมาอย่าคุกคีกันอย่ามีอะไรที่จะทำให้ขวงกันเรื่องนี้แม้จะมีสิ่งอื่นเกิดขึ้นก็อย่าให้มันขวงกันขวางรูปใช้ได้ทุกรูปทุกแบบหัวตาดบ้างคุ้งอาหารบ้างไม่ใชติตําน้ําพล็กบ้างม่สติหันปากบ้าง มีชติร่างถ้วยร่างชามบ้างหลานแก้วร่างใจไปด้วยกันบ้างมีหลายรูปแบบสติสมัญญะบับพภะนาบาับพะจิตบับพภะถือรูปรูปแบบแบบแต่ว่าถ้าเราปรึก ส่นกายนี้เป็นที่ตั้งมันจะแตกฉานเด๋วเหมืนเราเรียนหนังสือจะแลกก็ดูกระดานเนางสืออยู่กระดานพิธจแต่เขียนต้องดูต้องเห็นถ้ามันติดแล้วก็ไม่ต้องดูกระดานเขียนก็ไม่ต้องเขียนพูดได้เลยภาษาได้ใช้ได้เลยสติก็คือความรู้จักตัวเนี่ยภาษาอินเดียว่าสติสัมสัญญะ เราถามใครต่อรู้สึกตัวลู้สึกตัวเึ้นมือขึ้นรู้สึกไหมลู้สึกมืออยู่ไหนเรามือวางไว้บนเขาถามทุกคนมืออยู่ที่ไหนเขาก็ตอบว่ามืออยู่ที่เขาอเราดูว่ามือที่เขาตัวเองรู้ไหมหรือว่าถามเขาตัวเองรู้ เราแยกว่ามือของคนอยู่ที่อื่นอยู่ข้างหลังเอาบอกว่าม่ใช่มืออยู่ที่เขา น, ะนี่คือความจริงคนอื่นจะบอกว่ามือเราอยู่ข้างหลังไม่ถูกต้องมือเราว่างบนเก่าเนี่ยนี่คือความรู้จักตัวที่มันตอบได้ทุกคนไม่มีคําถามสติมันไปอย่างนี้ให้สัมผัสอากนี้ให้มันชัดเจนอย่างนี้ เพื่อนไหไปตามรูปแบบรูปเป็นข้างเป็นข้างเป็นข้างเป็นข้งนขงางไปเพื่อไม่ให้หลงเวลามาชิดไปกลับมารูปมีเหมือนกันสิที่มันแย่งไม่ใช่ความรู้นะสนุกนะได้ช่วยตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้เปลี่ยนได้เป็นดีเรื่องเล่าเรื่องเรามันก็เป็นงานชอบที่สุด เป็นความคิดที่ชอบที่สุดเป็นการดํามเหล่ที่ชอบที่สุดเหป็นการพูดออกมาด้วยความชอบที่สุดเป็นการกระทำด้วยชอบที่สุดเ อ, อืดแต่ฉานไปหลายอย่างจริงแวดลอ้อมคบบ่งจรนมีสติก็ละความชั่วทันทีมีสติก็ทําความดีทันทีมีสติจิตก็บริสุทธิ์ทันทีไปพร้อมกันหลายอย่าง ละความชั่วกันชินดันดีทุกคนมีะติเหมือนคนคนเดียวกันละความชั่วทำกบฏในคราวเดียวกันเนี่ยคนในประเทศไต้หวกสิบกว่าล้านคนมีสติทุกคนละความชั่วทําความดีในคราวเดียวกั น, นอะไรไมันจะเกิดขึ้นต้องเป็นความสงบร่มเย็นของชาติบ้านเมืองแน่นอน จึงไม่ใช่ว่าจะไปอวันอื่นปรับทุกข์ปรับโทษตัวเองดูแลตัวเองให้ดีๆรักษาตัวเราให้ดีๆมีกายมีใจเท่านี้ไม่มากมีสติสมงัดดูแลกลายใจคุ้มปฏิบัติธรรมก็คือมาดูแลกลายแมดูแลกลายใจให้มันปลอดภัยไม่มีภาย จะปล่อยตัวเทิ้งอย่าปล่อยกายทิ้งอย่าปล่อยใจทิ้งเราเคยปล่อยทิ้งมามากแล้วความคิดกับเป็นทุกข์เวลานอนเน่ยเรือเ่องความคิดจะเป็นทุกข์นอนไม่หลับปล่อยตัวเองคิดจะเป็นทุกข์ไม่รู้จักหยุดของชคิดตัวเองเพราะไม่ถนัดทุกข์เพราะความชื่อหยุดไม่เป็นเวลานอนคิดจนนอนไม่หลับ เป็นอย่างนั้นทาววําไมเราปลอดแขงที่ขนาดนั้นโอ้ยกระตือร่นมาช่วยตัวเองเวลาใดมันชิ้ไปมันเปะเปื้อนยึดไอ้ไอ้สติมันจะคิดแบบได้คมขืนตัวเองคนนี้น่ารักนะคนหน่าชาังนำมาชีวิตแบบนั้นไม่ได้ค่มขืนเถึงมันวความเพียร์มันไม่เป็นอะไรมันไวช่วยอยู่แล้วอย่าไปสมมติบัญหยติ ใหมันเป็นคนหน้ารักหน้าจังพอใจไม่พอใจมันเคยหลอกเราแล้วเชียเปรียบมาแล้วเชียเปียบความโกรธมาแล้วเสียเปียบความทุกข์มาแล้วทําตามความโกรธมาแล้วทําตามความทุกข์มาแล้วเสียเปรียบเหมืนอนไยเช็ดลามจึงใดที่เราทําให้คนเดิมไปทุกข์เดีโอ้ยเช็ดหลาม แต่คนอื่นทําเไรเป็นทุกข์ไม่เป็นหลายไม่ใช่ความผิดของเราเรื่องผิวผิวเปิเผยแต่ถ้าเราทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์นี่ยอ้เจ็บใจคิดถึงข่าวอะไราเจ็บปวดมาเป็นรอยในใจเราเนี่ยโอ้ยแต่เมตตาเท่าไหร่ก็ไม่กุมก้าวหมดมนลไววพระปฏิบัติธรรมเท่าไหร่ก็ มันเป็นตาคที่ติดสายติดใจเรา่าเราจะปล่อยที่งานหรือชีวิตเรามันมีค่ามากมีค่ามากึงขอให้ใช่สถานที่นี้เป็นเครื่องฝึกประเทศไทยคนไทยหัด ม, มาใช้อยู่ร่วมกัน ย่าทะเลาะเบาแย่งกันอย่ากัดเกลิงกันอย่าคุกคีกันให้สิทธิเรื่องนี้กันให้มากๆผู้พงศ์หลานก็มีจิตศรัทธาตวกวดมาปผู้ท่งองเล่นน้ำเื่องไฟดูแลความเป็นอยู่ของพวกเราก็ก็ให้ถือว่าเป็นส่วนทั้งหมดช่วยกันตายคนลไม่คนละเมือง คนหนุ่มก็ช่วยคนเจยบ้างคนเจยก็อย่าเอาเปรียบคนหนุ่มบ้างอยาเห็นเจอตัวนี่รวมเป็นอยู่ให้น้อยมันเกิดถึงเวดร่อมที่ดีชึงเวร่อมที่ดีกอ่อนมารู้ทำได้ง่ายป็นปล่อยเฉยกันใาตัวเองก็พยายาม ช่วยดูแลกายใจให้ดีๆอย่ามีภัยต่อชีวิตไม่มีภัยล้ปลอดภัยที่สุดไม่มีภัยอะไรเก่ดงึ้นหรือว่าพระอริยเจ้อาอริยะอริแปลว่าข้าเชกภัยจะพระอริยะเจ้าพระอริยะบุคคลถ้าเป็นโยมหรือว่าอริยะบุคคลถ้าเป็นนักบวชของพระอริยเจ้าอริแปลว่าข้าเชก ยะแปลว่าไปไ ป, ไปจากข้าศึกเหมือนเกิดจุดที่การที่ใจเรานี้ไม่มีอาวุธศัตรูหะที่ไปช่วยยิงให้แม่มาที่ดรดลู่ถึกนีนั น, นเรามีสติมอนเหมือนกับใช้ภูมิที่ดีของนักลบู้เลยการยลุย ใ, ใจเห็นหมดเหมือน ใชย้ย่อผงของสนามลบที่ดีที่สุดเปิดไหลขึ้นไปกับลู่สึกตัวมาไหลแม่นแล้วยิงแม่นชัดเจนประับขวองหลงได้ข่าศึกจำนวนมากหมดไปได้น้า ม, มันหลงอไรไหลเกิดกันลู่ลูเนี่ยภาวะที่ลูกกำลังผลน้อยน้อยแต่ปราบค่าศึกได้มาก ไม่ต้องไปอดไปทนอะไรแต่มันหมดไปเลยถ้าเราขุดขัดไปมีความรู้ไปความหลงคนคือความรู้จึกตัวถ้าเฉกคือความหลงถ้าความหลงเป็นหัวหน้าของข้าจฉกบอบมันแลหลงอะไรรู้ที่รู้มันก็ได้ใจชนะด้วยชี้ตังแมยเป็นผู้ชนะตัวเองชนะตัวเองเป็นสิ่งที่ปรเสิฐ ชนะคนอืน่นลอยข้างถนนมันเท่าชนะตัวแม่ข้างเดียวพระเจ้าสอนเฉินคนเดียวชนะตัว อ, อ, อย่างนี้ปฏิบัติทำเอาชนะตัวทุกูแบบสองกว่าเจริญเวลาเนาะชอบ้องกัน